พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าสะดาวเปลี่ยนนิสัยวันนี้เป็นวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2560 วันนี้เป็นการทำบุญเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวีรธาดาตําบลแก้งไก่อําเภอสังคมจังหวัดน้องคายอาคารเรียน น, นั่นเป็นอาคารเรียนอนุบาลสำหรับเด็กเล็กที่ท่านด็กเตอร์วีรธาดาสําเนียงแล้วก็แม่บ้านนางนนทพรสําเนียง อาคารเรียนหลังนี้ยาว61เมตร10ห้อง12ห้องเรียนกว้าง8เมตรนะยาว16เมตรกว้าง8เมตร12ห้องเรียนจุนักเรียนทั้งหมดถ้าหานักเรียนเต็มที่นะ450คนอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกของพี่น้องชาวอมเภอสังคมในละแวกนี้หลายๆหมู่บ้าน ไม่ว่าจะสังคมะ แ, แถบนายุงก็ได้อำเภอสีเสียงใหม่ก็ข้ามมาเรียนได้อีกเหมือนกันแต่ก็ขอให้ครูบาอาจารย์ในโรงเรียนของเราเนี่ยพยายามสอนลูกหลานแล้วก็ดูแลลูกหลานของเราพอเด็กเล็กนะคำว่าเด็กเล็กคานี้แะยังไม่รู้เดียงสาภาวะพ่อแม่ก็ในเมื่อสง่งเข้ามาโรงเรียนแล้วก็ครูบาอาจารย์นั่นต้องใส่ใจ ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเอพราะเหตุว่าเด็กยังไม่รู้นะถ้าว่าโรงเรียนเราสร้างช่างสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนในกลุ่มนี้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาก็คงจะส่งเข้ามาเรียนเมเรียนแล้วก็นักเรียนของเราก็ได้รับความรู้เฉเลียวฉลาดขึ้นเป็นเด็กดีพ่อแม่ยอมรับ ปากต่อปากคำต่อคำโรงเรียนของเราก็มีชื่อเสียงแล้วก็พร้อมกันไม่ใช่จะสอนแต่ความรู้สอนคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้กับลูกหลานด้วยนะอพอเราเป็นคล้ายๆกับเด็กนักเรียน เ, เหมือนกับผ้าขาวผ้าขาวาถ้าเราจะใส่สีอะไรเข้าไปจะใส่สีแดงสีดำสีอะไร แปลว่าผ้าจนันทก็รับไร้หมดเพราะไรเพราะยังไม่มีสีอะไรเพราะเกิดมาใหม่เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้ที่ดูแลโรงเรียนแต่หลวงพ่อเองเออก็มั่นใจว่าท่านดรแล้วลูกหลานของหลวงพ่อเนี่ยวอกว่าแม่บ้านของออดอกเตรเนี่ก็เนี่ยรู้จักหลวงพ่อมาตั้งแต่ นมนานตั้งแต่หลวงพ่อสร้างวัดใหม่ที่แม่ของศรัทธาญาติโจมเนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงเน้มารับนนมนมาเปิดอาคารเรียนให้ลูกให้หลานเพื่อเป็นชิเพื่อเป็นมงคลขอให้โรงเรียนหลังนี้อยู่เป็นคู่กับอำเภอสังคมแล้วก็เป็นเป็นที่บอก เ, อเป็นที่เพาะบ่มอุปนิสัย การเรียนการศึกษาของลูกของหลานที่จะไต่เต้าขึ้นไปถึงนู่นน่ะให้เป็นให้ได้เป็นด็อกเตอร์เหมือนกับเจ้าของโรงเรียนนี่แหละแล้วก็ขอให้พวกลูกหลานทุกคนที่มาเรียนหนังสือแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาให้กับเด็กนักเรียนจุดนั้นสำคัญมากเราจะไปพูด่วาเด็กนักเรียนบ้านนอกไม่ได้นะทุกวันนี่เด็กนักเรียนบ้านนอกนะโห เข้าไปตีการศึกษาในเมืองในกรุง อ, อิลุยชุยแชไปหมดเหมือนกันเพื่อ เ, เขาไปแข่งกันที่นี่ อ, อย่างที่หลวงพ่อไปสร้างอาคารเรียนให้อำเภ อ, เเอน้ำโสมโรงเรียนท่าโสมน เ, เดี๋ยวนี้เขาก็ได้ประกาศเมนุดี่ใบตกดีไบจากทางกรุงเทพ น, นี่แหละสรุปแล้วก็คือต้องครูบาอาจารย์ท่านระดับสำคัญนักเด็กนักเรียนเป็นส่วนประกอบ แต่ว่าเด็กนักนักเรียนของตนเองครูใส่ใจ เ, เด็กนักเรียนกลุ่มนี้เหมือนเป็นยังไงไม่มีใครที่รู้ยิ่งกว่าครูโรงเรียนที่สอนลูกศิษย์นักเรียนคนนี้อ่านหนังสือไม่ออกจะทํำยังไงจึงจะให้อ่านออกเนี่ยก็ต้องไปสอนนั่งเขา่าจับเขา่าสอนให้เขารู้เพราะเราเป็นวิชาชีพ ว, ว, วิชาครูเนี่ยไม่ใช่ว่าสอนเลยตามเลยเลยตามเลยตามหน้าที่เท่านั้นไปรับผิดชอบ อันนี้กับเด็กนักเรียนเราจะเฉลียวฉลาดได้ยังไงจากนั้นปากต่อปากคำต่องคำโอ้ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนนั้นนักเรียนไม่รู้เรื่องอะไรไมาดื้อด้านยิ่งกว่าลิงไปใชอีกนี่พอพูดเท่านั้นละ่ะคนนั้นก็ไม่มานักเรียนโรงเรียนของเราเจะจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างไรเพราะเหตุใดเพราะว่าขาดขาดประสิติภาพในการเรียนการสอน ปันขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะการปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานจำเป็นสำคัญในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการท่านยังปารบ่าว เ, เด็กนักเรียนพระพุทธเจ้าธนวัฒสมัยหนึ่งเราเป็นลือสีอยู่ในป่า เ, เข้ามาพักอยู่ในอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินแต่พระเจ้าแผ่นดินมีลูกชายโอ้โหเกเรตลว่าไม่ยอมฟังใครเลย แต่พระบิดาก็เห็นว่าเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ย เ, เป็นผู้มีวิชาแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณธรรมแล้วก็เป็นผู้มีตระกูลที่จะไปบวชท่านก็รู้กันอยู่แล้วที่เป็นฤาษีนะที่ท่านเข้ามาพักอยู่ใน อ, อุทยานของพระเจ้าแผ่นดินวันหนึ่งท่านก็เอาท่ทานฤาษีลูกชายของผมเนี่ดูแลจะองจะเอาไม่อยู่ลักษณะมัน ดื้อด้านแล้วกันไม่ยอมฟังใครเลยขอให้ท่านฤาษีช่วยสอนด้วยเถินฮะท่านฤาษีเออเอามาอยู่ด้วยก็ได้นะตอนนี้ท่านฤาษีก็พยายามสอนสอนไปเรื่อยวันหนึ่งก็พาไปไปไปชมป่านสวนอุทยานะไปก็ไปเห็น เ, เรียก ว, ว่าเครือเถวสามสวนใครว่าอ้อยสามสวนะไปก็ไปก็ไปดึงขึ้นมา ขึ้นมากลางล้างลาง <Okay. S 1> ้างใช้คำวมือโรบโรบโรบหน่อยๆเขี้ยวนี่สิกุ ม, ม, า ม, มานกุมารก็เคียวโอ้โหนนี้หวานดีครับทําไมต้นไม้จะนิดจงหวานดี เ, เป็นไงล่ะดีครับหวานดีนแต่นี้นก็พอปานเดินไปอีกไปเห็นต้นสะเราทีนี่พอไปเห็นต้นสะเราก็ถอนต้นสตเราขึ้นมาตน้นเล็กๆน่ะ เ, เข้ามากขาบอกว่านี่นี่อากุ ม, มาร เขียวหรือซีมันเป็นยังไงต้นนี้หพอเขียวโอ้โอโอโอโอโต้นนี้ขมมากเลยท่านเลย <c oughs> ควรจะถอนมันทิ้งทั้งหมดไม่ควรจะให้มันอยู่ในนี้อแต่ต้นนั้นควรจะรักษาไว้แต่ต้นนี้ควรจะถอนทิ้งทั้งหมดเอไม่ควรจะให้มันอยู่เดี๋ยวมันจะพาตุหมูขมไปอีกไหมกุมารว่านจากนั้นพระฤาษีก็เลยพาไปไปนั่งอยู่ในขอนไม้ขอนหนึ่งที่พอเหมาะพระฤาษีก็เลยสอนว่านี่แหละกุมาร เราเนี่ยเป็นกุมารเป็นเด็กถ้าว่าสิงไหนที่ดีเห็นไหมกุมารเคี้ยวต้นอ้อยสามสวนนะั่นน่ะที่เป็นเถาวันนะ่ะหวานกุมารก็พอใจอใช่ไหครับพอใจแต่นี้นเมื่อกุมารไปเคี้ยวอีกต้นนึ่งที่มันเป็นสะเดานะ่ะมันขมเนะี่ยกุมารไม่พอใจใช่ไหมใช่ผมไม่พอใจอย่างมากเลยที่มันขมอย่างนี้คนจะถอนทิ้งทั้งหมด ควรจะทํำรายทิ้งนี่แหละสรุปแล้วุคนเออที่เกิดม า, าต้องการคนดีนะกุมารเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีที่มันเกเรบ้างที่มันไม่ชอบฟังผู้อื่นบ้างไม่การศึกษาอย่างนี้ไม่ดีาทางอย่างที่กุมารคงจะมองเห็นนะว่าสิ่งที่มันไม่ดีที่กุมารที่พระกุมาร ไ, ได้ได้ประพฤติปฏิบัติมานั่นแหะ ควรจะปรับปรุงแก้ไขใหม่นะนี่แหละสิ่งที่มันไม่ดีคือมันขมคนชุมชนสังคมเขาไม่ชอบเพรา ะ, ะนั้นขอให้พระองค์ปรับปรุงใหม่นะครับนะท่านฤาษีตั้งแต่บัตรนัดมาพระ ก, กุมารก็เลยกลับกลายเป็นคนดีตลอดไปคือม่าสำนึกได้ว่าที่จะทาสิ่งไหนลงไปก็ทำให้เสียหายต่อชุมชนสังคมไม่เป็นที่พอใจของพระบิดาหรือพระบารดา หรือพระปริรปยุรยาทั้งหลายเนี่ยพระองค์ก็ตั้งตนเป็นคนดีตั้งแต่บัตรนั้นนี่แหละชาดกเรื่องนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการปลูกฝังอุปนิสัยของเด็กมันมาตั้งแต่เด็กดึกดําบันถ้าหากว่า เ, เมื่อเราสอนให้เด็กดีตั้งแต่ดึกดําบันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดี ประเทศชาติบ้านเมืองก็อยู่ด้วยความร่มเย็นผาสุกแต่ถ้าว่าเด็กนักเรียนของเรามีแต่สอนไปในทางที่ไม่ดีอพอใหญ่ขึ้นมาจะจับกุนชกต่อยตีกั น, ก ล, น, น, นกลุ่มบ้านนั้นกลุ่มบ้านนี้ทำอย่างนั้นได้ยังไงเพราะประเทศชาติบ้านเมืองคืออันหนึ่งอันเดียวกันถ้าว่าประเทศชาติบ้านเมือง เ, อเด็กนักเรียนของเราไม่มีความพร้อมเพียงสามัคคีไม่รักสามัคคีกันนะ แบ่งกลุ่มแบ่งพักแบ่งพวกจากนั้นพวกเราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจะเป็นยังไงเพราะฉนั้นคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเหล่านี้ควรปลูกฝังเอาไว้แต่เด็กๆแเล็กๆนะ เ, เมื่อเด็กแดกของเรามีคุณภาพมีคุณธรรมรู้จักรับผิดชอบรู้จักทําความสะอาดนะเราจะสอนแต่เด็กๆเลยเด็ ก, ดกนักเรียนคนไหนเสียกระดาษทิ้งหรือถุงกระถุงขนมทิ้ง ไม่เป็นที่เป็นทางครเต้าสอนตั้งแต่เด็กเลยล่ะให้เด็กรู้จักรับผิดชอบจั๊กว่ากระดาษจริงไหนก็ตามให้ใส่กระเป๋าไว้นะเอาไปถึงถุงถังขยะแล้วยังค่อยเอาออกมาจากกระเป๋าแล้วยังค่อยทิ้งใส่กระเป๋านะอย่าไปทิ้งเกลือนไม่ได้อันนี้มันไม่ดีเป็นขยะของประเทศชาติโรงเรียนของเราซกกระปรอกนี่แหละสอนมาตั้งแต่เด็กเมื่อเราสอนมาตั้งแต่เด็กอย่างนั้นแหละ เด็กมันจะฝังอยู่ในลึกฝังลึกในหัวใจไปอยู่ในสถานที่ใดมันจะทิ้งสิ่งของอะไรลงไปในพื้นมันก็ต้องได้คิดโอเครูทําโทษนะครูดูนะ อ, อย่างนี้แหละอย่างประเทศเต่างประเทศของเขาอย่างหลวงพ่อเห็นอย่างหลวงพ่อเชอรี่นะวัดป่าบ้านตากทุกวันนี้นะท่านยังไปเก็บขยะ เ, เห็นตามตามวัดวาตามบริเวณนะ่เชาวบ้านเขา เรื่องลือกันไปหมดนเะ่ยเพราะหะไรท่านบอกว่าสมัยท่านเป็นเด็กน้อยท่านไปเรียนหนังสือเมื่อไปเรียนหนังสือแล้วครูครูเนี่ยสอนให้เก็บขยะถ้าเป็นขยะเห็นขยะแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าส่งกระเป๋ากางเกงเที่มันไม่เปื้อนนะถ้ามันเปื้อนก็เอากระดาษห่อซะก่อนใส่เข้าไปจากนั้นยังค่อยเอาไปแล้วก็ไปโยนใส่ถังขยะนะ่ย จากนั้นท่านเป็นนิสัยเห็นก้อนโบรีที่ไหนใดเก็บมดทุกวันนี่ขนาดผ้าท่านอายุตั้งเกือบจะ80กว่าท่านเดินออกไปที่ไหนทั้งกันยังเก็บขยะนี่แหละอันนี้ก็คือมันฝังลึกมาจากทางด้านจิตใจเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ครูอย่าเป็นเองคุณอย่าครูพวกครูอย่าเป็นเสียเองนะพอกินอะไรทิ้งคว่างให้เด็กนักเรียนดูนะพอในสุดักเด็กนักเรียนก่อนนั้ไม่มีกฎไม่มีระเบียบพอในสุดประเทศชาติบ้านเมือง โกเลตุมเปะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไปที่ไหนถ้าว่ามีอคอนเสิร์ตหรือว่ามอหลาหมูหมอหลาสิ่งที่ไหนน ะ, ะดูไม่จืดเลยในจุดนั้นไม่รู้อะไรตัวไม่อะไรขาดความรับผิดชอบนี่แหละประเทศชาติบ้านเมืองของเราจึงเละตุมเปะเพราะเหตุอะไรเพราะขาดการรับผิดชอบเพราะฉนั้นขอฝากไว้กับพวกครูบาอาจารย์เด็กนักเรียนที่ Baby เบบีนะเด็กเกิดใหม่ที่เรียนหนังสือกับโรงเรียนแห่งนี้ ขอให้ครูบาอาจาราย์ใส่ใจที่หลวงพ่อได้พูดนั่นคือประเกตคือเกตหนึ่งประเด็นหนึ่งที่พวกเราหลวงพ่อเคยรู้เคยเห็นได้สัมผัสได้ศึกษาได้เรียนรู้มาเพราหลวงพ่ออายุแก่น่ะคนแก่ต้องเป็นอย่างเนี้ลูกหลานจมหน้าจมหลังบนหน้าบนหลังแต่คิดว่าหลวงพ่อบนไม่ผิดกแล้วกันนะถ้าพวกเราปฏิบัติถูกอย่างนั้นแล้วความเจริญรุ่งเรืองความผาสุกก็จะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมของพวกเรา แต่เขาพวกเราไม่มีกฎไม่มีระเบียบเกะเลตุ่มเปนะออไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่าอีกต่างหากนะไม่รู้จกักไม่รู้จักสัมมาคารวะอีกต่างหากเพราะสอนมาตั้งแต่เด็กนะออดื้อด้านมาตแต่เด็กอีกต่างหากนะจะเป็นยังไงประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปภายภาคหน้าเพราะฝากไว้กับพวกลูกหลานทุกคนนะวันนี้ได้มาเปิดอาคารเรียน เ, ออเด็กเล็กนะออตั้งแต่เบบี้เลยละ่ะดูๆแล้วก็ เป็ น, นโรงเรียนที่ทันสมัยทีเดียวต่อไปก็คงจะมีสาว่ายนะ้ำบวยโดยนะถูกถูกต้องตามตกกฎต ก, กฎติกาของโรงเรียนที่มเีเพราะนั้นหลวงพ่อมาเห็นแล้วก็ขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ลูกหลานและผู้จัดการ เ, เจ้าของโรงเรียนด้วยนะให้ลูกหลานช่วยกันดูตลอดถึงพวกพี่น้องชาวบ้านทุกคนฝากลูกฝากหลานเขามาเรียนถ้าเห็นจุดไหนขาดตกบกข้อง ก่อเตือนบอกกล่าวให้ครูบาอาจารย์โรงเรียนเออจุดนั้นจุดนี้นะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่แหล ะ, ะเพื่อติเพื่อก่อนะ mm. เพื่อเราตำเนธแล้วก่อนะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อโรงเรียนของเราโรงเรียนของเราก็เป็นสมบัติเป็นสมบัติอันล้ำค่าในท้องถิ่นของพวกเราลูกหลานของเราก็ได้รับการศึกษาเป็นทอดๆเป็นคนดีอยู่ในชุมชนสังคมใดถ้ามีเป็นถ้าคนเป็นคนดีแล้ว เป็นทรัพยากรอันล้ำค่านะลูกหลานนะหลวงพ่อเขามาถามหลวงพ่อนะบอกว่าท่านท่านจะเขียนแผนพัฒนาแผนที่11บเสมัยนะสิบสิบะจะเขียนยังไงจะเขียนเด่นไปทางไหนหลวงพ่อบอกว่าเอ้ยท่านดรเขียนแผนพัฒนาบริหารประเทศควรพัฒนาคนก่อนถ้าคนเป็นคนดีทั่วประเทศแล้วทรัพยากรถึงจะไม่มาก เป็นคนในประเทศรับผิด ช, ชอบได้รับการศึกษาดีรับผิด ช, ชอบดีมีไม่มีขโมยโพจรมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมการอยู่ด้วยกันเคา ร, รมเย็นเป็นสุขทรัพยากรส่วนอื่นค่อยหาก็ได้แต่เราจะเป็นเน้นแต่เรื่องทรัพยากรภายนอกเน้นแต่เรื่องออล่าเรื่องรวยถึงจะทำไปเถอะถ้าคนในชาติมีแต่ขี้เหล่าเมายาคันชายาฝิ่นเฮลอินยาบ้ายามะม้า ขาดคุณธรรมจริยธรรมแล้วถึงจะพัฒนาวัตถุให้หรูหราโออาขนาดไนะหนกับพัฒนาไปเถอะพวกนี้แหละออจะมาทำร้ายทำลายประเทศชาติบ้านเมืองเขาย่อยยับแต่ถ้าว่าสมบัติทว่าคนในชาติเป็นคนดีสีอย่างเดียวนั่นนะ่ะประเทศชาติจะร่มเย็นเป็นสุขนะีน่หลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะออถ้าว่าในหลักของพุทธศาสนานเน้นเน้นหัวหน้านะเน้นใจนะ ท่านว่ามนโนปุพังข้ามาทำมามนโนเศรษฐามนโนมายาในพ่อปณีนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจคนเราก็เหมือนกันน่ถ้าหางว่าใจของเราเนี่ยได้รับการอบรมได้รับการศึกษาคุณธร ร, รมศีลธรรมจริยธรรมได้รับรู้ยอมรับว่าศีลห้าของพระเจ้ามีประโยชน์คุณธรรมมีประโยชน์การกระทาออกไปการแสดงทางกาย ก็เรียบร้อยเพราะเหตุไรเพราะคนนั้นได้รับการศึกษาดีมองเห็นโทษมองเห็นคุณอันนี้เป็นโทษอันนี้เป็นคุณได้รับการศึกษานี่แหละใจใจได้รับการศึกษาเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะการจะพูดออกไปก็ระวังคําพูดว่าพูดคํานี้ออกไปมันจะเสียหายไหมจะจะกระทบกระเทือนไหมจะเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อพ่อต่อแม่พี่น้องไหมนี่แหละถ้าใจได้รับการอบรมดีแล้ว กายก็ไปในทางที่ดีว่าจาก็ไปทางที่ดีคำพูดก็ไปในทางที่ดีเลย่การกระทําไปไปในทางที่ดีการพูดก็ไปในทางที่ดีเพราะใจได้รับการอบรมนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละคนเราได้รับการอบรมดีแล้วนะการแสดงออกการคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในบ้านในเมืองเขาร่มเย็นเป็นสุขนะลูกหลานนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พรรับพรในเีน่ห์นะ เมือม่อรับพรเมื่อรับพรเสร็จแล้วก็รับทานอาหารตามวัทยาไสยเมื่อรับพรเสร็จเรียบร้อยเราก็ให้ขึ้นมาจากนั้นพระสงฆ์จะอนุโมทจะประพรมน้าพระพุทธมนต์สวดชยะมงคลคาถานะประพรมน้ําพุทธมนต์กับพวกเราแล้วก็ประพรมน้ําพุทธมนต์อาคารแล้วก็เป็นการเป็น เ, เสร็จพิธีในวันนี้ของพวกเราตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาแล้วก็พวกเราได้ทาบุญ รวมกันในวันคือใหุ้ทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกราระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุโหัอยู่ในบรมโมโกดที่ท่านให้ความร่มเย็นผาสุกแก่ประสบในก่อนการทําบุญอย่างนี้ทุกครั้งรวมกันทําบุญกน้อมจิตถวายเป็นพระราชฎกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุ๋หัวทุกครั้งโดยนั้นลูกหลานนะและก็พร้อมกัารุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกราระคุณของเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ตลอดถึงปูภูมิเจ้าที่ด้วยดวงวิญญาณใดที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลข้าไปเจ้ายินดีอุทิศส่วนกุศลถวายกุศลขอให้มีความสุข ก, กายสุขใจอยู่ในพวกพรมใดกับมีขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีความสุข ก, กายสบายใจนะพวกเราต้องคิดอย่างนั้นเวลารับพร น, นะอุทิศส่วนกุศลนะ